ที่82ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่3กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าสิ่ธรรมนำหน้าความรู้ โอ้ลูกหลานกศนฟังฟานแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เนาะเปลี่ยนชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีวันนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสมศูนย์กศนอำเภอน้ำโสมกำหนดจัดกิจกรรมธรรมสัญจรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาโดยการนำ บุคคลบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เ, เข้ามาที่วัดป่านาคำน้อยอในการนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยชาสายอำเภอน้ำโสมจึงขอโอกาสนอนุญาต เ, เข้ามาพาม บุคลากรนั้นนกศึกษาเข้ามากราบคารวะหลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นนั้นลูกหลานนะแต่ถึงยังไงแต่ฟังฟังฟังฟังศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยนี่หลวงพ่อเนี่ยฟังฟังเราตามอัธยาศัยเจ้าจะไปหาไอ้ยู่ในขั้นเจ้าไอ้นะปไอ้ยูทั้งนอกผู้นะ กูจักปอไอ้ก <c oughs> ันไอพ้พวกเราออกไปนะ้ำง้มปลาไปไ อ, อ้ยู่งจางนอกพในยามมาไ อ, อ้ยู่นี่ <c oughs> มองนี่มองฟังโ่เมนต์มองไอ้แมนบ่ลลูกหลานก็มันไอ้มันเสียสมาธิในการฟังตามอัธยาใสนี่โดยมากอัธยาใสของพวกข้านี่ สอบปสอบไปทางง่ายๆได้เมนบอกอันไหง่ายๆสอบจังสันเหล่าอนุแฟอันใดสิมันสอบคือมันความเจริญเนาะหมุนไปทางหนาเนี่ยด้วยมากมันจะบกคอยสอบอันไหนไหลไปทางต่ำเนี่ยดยมากมันจะสอบไปทางสันเออคำเป็นจูทังบานเพราะว่ากินเหล่าเมายาโซลาหน้าดิผ้าเสืกีฬาบัดเออจังสันนี่ตามบรรดาญาสายของเฮาเมนบอก อการว่า้เียนหนังสือให้สอบให้มันได้เนี่ยฝืนระเกิดวนไปเอปืนความมู่เสียกวนไปเพราะตามอัธยาศัยคมตามอัธยาศัยของเขานี่เข้าตรงอไปตามยังสั่นวนไปเอแต่ว่าความหมายของอัธยาศัยตัวนี้น่ะค้ายๆกับว่าเพิ่นบอ บ, บีบแห้งการศึกษานอกโรงเรียนนี่เบวได้บีบ วลีรีบเร่งพวกเข้าแรงจนเกินไปให้ท่าให้เห้าศึกษาศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยแต่ลงพอว่าก็เป็นดีนะพ่อปันคลายคลายวงคือบอยโมให้แรงจนเกินไปพ อ, อพวาพวกเข้า สมัยเป็นเด็กน้อยมันก็ผ่านมาแล้วเด้มันผ่านมาแล้วผ่านมายุคนึงแล้วแต่บัดนี้เข้าก็สํานึกได้พวกเข้าสํานึกได้การที่ผ่านมาแต่เข้านู่นเสียโอกาสถาว่าพวกเข้าได้เลียนได้ศึกษานี่ยคงจะวิชาอาชีพของเข้าพวกเขาคงจะดีขึ้นกว่านี้ในการเป็นยู เพราะนั้นพวกเขาจึงมองเห็นการศึกษา เ, เมื่ออายุสูงขนาดนี้แหละแต่กระบอกบ่บมี่คำว่าการศึกษานีบ่มี่เขา้ามาแก่นะลูกหลานนะในต่างประเทศลุเงเทียนลุงพ่อเห็นเถียนะอายุเก่าสิปีก็ยังเฮี้ยนหนังสืออยู่เฮี้ยนเพื่อการศึกษาอยู่<ม>เพื่อการเรียนรู้อยูอ่เพราะว่าการศึกษาเนี่ยบ่มี่ บ่มีที่สิ้นสุดอ่บ่มีที่สิ้นสุดในการศึกษาเยี่ยนไปแต่ได้ก็ยิ่งกว้างขวางไปเลยพวกเขาก็ได้รับความรู้ความฉลาดคืนมาเรื่อยเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะว่าการศึกษานี่ยอ่มันมีหลายระดับเขาชีศึกษาเรื่องใดพวกเราจะศึกษาเรื่องอะไรในการศึกษาเนี่ยอ่บางทีก็วิชาการเกษตร วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาสรุปแล้วก็คืออย่างพวกลูกหลานเรียนหรือพวกลูกหลานศึกษาเนี่ยหลวงพ่อก็มั่นใจว่าเป็นการศึกษาภาพรวมทางหน่วยเหนือหน่วยสูงขึ้นไปพิจารณาเห็นแล้วว่าถ้าหากว่าพวกลูกหลานหนึ่งอยู่ในท้องถิ่นเกษตรกรรมเอ่อ เขาก็คงจะเน้นเรื่องเกษตรกรรมเป็นหลักและก็คงจะมีภาษาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จําเป็นพราะเราจะได้เรียนรู้คํานวณในเรื่องต่างๆและก็วิทยาศาสตร์สารเคมีก็คงจะสอนในชีวิตประจําวันของพวกเราจะให้ได้รับรู้รับทราบเรื่องอะไรเขาก็คงจะยัดเยียด ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพื่อเราจะได้นำมาประพทธปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราอันนี้การศึกษากอสอนหลวงพ่อคิดว่าก็คงจะเน้นไปในทางนี้นะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ถามครูบาอาจารย์หรอกแต่ว่าหลวงพ่อคิดว่าพอเราเรียนผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยควรจะเรียนในลักษณะแนวความคิด คงจะไม่เน้นหนักลักษณะความจำจนเกินไปนะความจำกับความคิดเนี่ยมั น, มนแตกต่างกานันนะลูกหลานนะความจำคล้ายๆว่าท่องท่องบนสาธยายใ ห, ให้ได้รับรู้รับทราบเรื่องต่างๆแต่ว่าความอันนั้นก็คือความจำแต่แนวความคิดเนี่ยคล้ายๆว่าให้รู้จักคิดเราใหญ่ถึงขนาดนี้เราจะวางตัวยังไงในการเป็นอยู่ของเรา ในเมื่อเราเป็นกเกษตรกรรมเราควรจะทำตนอย่างไงในเมื่อเราเป็นออข้ า, าราชการเป็นลูกน้องของเขาเราควรปฏิบัติตนอย่างไรออในเมื่อเราเป็นหัวหน้าออบางทีเราเอาจจะได้เป็นหัวหน้าเขาเราควรปฏิบัติตนอย่างไร <thieves. S 1> เราอยู่ในท้องถิ่นหมู่บ้านเราควรปฏิบัติตนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือแนวความคิดคือการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นความหมายทางหน่วยเหนือทางรัฐบาลเขาอยากจะให้พวกลูกหลานได้เรียนได้ศึกษาวันนี้ให้ลูกหลานทั้งหลายตั้งใจนะนะไม่ว่ า, ไ ม, วาไม่ว่าวิ ช, ชาขแขนงไหนละ่ะวิ ช, ชาในโลกนะมีประโยชน์หมดนะถ้าว่าเราตั้งใจเรียนเราตั้งใ จ, ใจศึกษานะํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เกือบทุกอย่าง ถ้าเป็นวิชาสัมมาชีพนะถ้าเป็นวิชามิจฉาชีพแล้วก็เขาก็ใช้ไปอีกแบบหนึ่งเมื่อใช้เขาไปแล้วกันเนี่ยแหละวิธีขายยาบ้าดทำยังไงวิธีขายยาม้าทำยังไ ง, ว, าาาง ว, วิธีคดโกงทำยังไงวิธีที่จะเอารัดเอาเปรียบคนทั้งหลายเอายังไงอันนั้นเรียกว่าวิชามิจฉาชีพถ้าวิชาสัมมาชีพ ถ้าทำยังไงชีวิตของเราจะดีขึ้นไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมมันถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายบ้านเมืองอันนี้แปลว่าวิชาสัมมาชีพนะวิชาก็มีสองเมือนนะขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายเลือกวิวชาสัมมาชีพกัแล้วกันแล้วก็พวกลูกหลานทั้งหลายอยู่ในระดับนี้ทั้งครูบาอาจารย์ ไม่ใช่จะให้แต่ความรู้อย่างเดียวต้องให้ให้มีคุณธรรมด้วยความรู้คู่คุณธรรมอันนั้นจาเป็นอย่างมากถ้าหัาวเวารมีแต่ความรู้แสวงหาแต่ความรู้เข้ามาสู่ตัวของเราแต่ไม่มีคุณธรรมในจิตใจอันนั้นก็เป็นแต่มนุษย์เฉยๆนะจิตใจของเราร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจของเราเนี่ย เป็นภาลชนไปอยู่ที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราไม่มีไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระหลวงปู่หลวงตาของพวกเราลูกหลานทั้งหลายหลวงตาเนี่ยเข้ามาศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เ, เป็นเวลาถึงห้าสิบแปดปีนะลูกหลานนะห้าสิบแปดปีก็คือหลวงพ่อหลวงตาเนี่ย บวชบวชปี08นะบวชเป็นพระปีนี้ก็ปี58แปก็เป็นว่าแปลว่าเป็นอันว่า50ปีนะแล้วเป็นสมมณเณรอีก8ปีตั้งแต่ปี2500จนจนถึงปี08นะเป็นเวลา58ปีชีวิตของหลวงพอ่อศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแต่หลวงพ่อได้ศึกษาอยู่ทุกระดับไม่ใช่ศึกษาเฉย และก็ลงมือปฏิบัติด้วยปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างไรเหมือนกับ ล, ลูกหลานเนได้เรียนได้วิชาปิชาเ ก, าเกษตร ล, ลูกหลานก็ทําทําตามเกษตรวิธีวพิชาตัวเองได้ได้เรียนได้ศึกษามาและผลมันเป็นยังไง ว, วิชาการเกษตรที่พวกลูกหลานได้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัตินั่นแหะก็เป็นผลออกมานี่ก็เหมือนกัน หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อก็เข้ามาศึกษามาศึกษาจุดนี้แล้วว่าศึกษาเรื่องจิตศาสตร์นะจิตศาสตร์คือแนวความคิดนะแนวความคิดคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงพิธีเป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดยังไงถึงคิดถูกคิดยังไงจึงคิดผิดนะ อันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้มากทีเดียวเลยเที่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหลวงพ่อได้เข้ามาศึกษาเนี่ยเป็นเวลาถึงห้าสิปีน่ยหลวงพ่อก็มั่นใจว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่โกหกไม่ใช่หลอกลวงถ้าผู้ปฏิบัติจะรู้จริงเห็นจริงพระพุทธเจ้าตัดว่าทำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวาาัสดิธรรมตรัสไว้ชอบ จากนั้นพระองค์ก็บอกว่าพวกเราพวกมนุษย์ชาติทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเนี่ยจากนั้นครูบาอาจารย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่บาอาจารย์ต่างๆรุ่นใหญ่หญลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปูค่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านเขามาศึกษาผ้ามาศึกษาท่านก็รู้ได้แก่ใจว่าเอพอนั่งกสมาธิเข้าไปนะ่ะนั่งกัตมาธิขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งแต่จิตใจเป็นอันหนึ่งจิตใจนั่นก็คื อ, เ, อ, อเป็นตัวนา ม, มธรรมร่างกายเป็นรูปประทับหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ ลูกหลานคณะจตหายาดโยมได้ฟังง่ายๆว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของคนเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเออมันต้องอาศัยกันแต่ถ้าหาว่าจิตใจไม่รวมไม่สงบแล้วจะไม่เห็นจะไม่เห็นจุดนั้นเพราะนั้นพวกเราหลวงพ่อเองกคศึกษาในจุดนี้ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายก็เน้นหนักเรื่องจุดนี้ท่านจึง ให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึง่งท่านจึงเป็นพุทธพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึง เ, เป็นพระบาลีว่ามาโนปุพังขมาธรมมามโนเสรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนะนี่แหละคําว่าใจคํำนี้แหละคือตัวนั้นตัวผู้รู้คือหนมามมรทำจุดนั้น นี่แหละสรุปแล้วก็คือในหลักของพุทธศาสนาพวกเราลูกหลานอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญไม่ต้องคิดมัวเมียไม่ต้องคิดเดาไม่ต้องคิดคาดการไม่ต้องคิดเดาคาดคะเนนะให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตสงบลงไปแล้ว น, นั่นแหละพวกเราไม่ต้องถามใครรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้จริงจังอีกต่างหาก ไม่หวั่นไหวอีกต่างหากเชื่อมั่นอีกต่างหากเราจะเห็นได้ชาติว่ากายกับใ จ, ใจใจกับกา ย, ยมันเหมือนกับโซเวอร์โซเฟอร์โซเฟอร์กับรถกดกับโซเฟอร์อย่างนั้นแหล ะ, ะนะพ่อแม่นในลูกหลานนะเมื่อหลวงพ่อพูดว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูนตายแล้วเกิดในเมื่อตายแล้วเกิดเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรถ้าเราคิดว่าตายแล้วสูนะหมดนะ หมดอะไรตายอยากจะทำความชั่วก็ทำเถอะทำมาดีไม่ทดีไม่ได้ดีทำชั่วมันมได้ชั่วาตายแล้วตกนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มเีเกิดชาตินี้มีแต่กลัวแต่คุกกลัวแต่ความความติดคุกเท่านั้นเองเอถ้าถ้าอยู่ในที่มืดถ้าใครไม่เห็นทำได้ความชั่วถ้าทำในที่แจ้งกลัวจะติดคุก เ, เพราะอะไรเพราะเขาจะจับเอากฎหมายเข้ามาใส่คุก เออนี่แหละอันนี้คืคอคนทีนะ่คิดว่าตายแล้วศูนยะ์ต้องเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่คนตายแล้วเกิดไม่เปลี่ยนอย่างนั้นนะเออเมื่อเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเออเมื่อเราเป็นนักศึกษาอย่างนี้ก็เถอะนะคิดโมโหโกธากันขึ้นมาทำความชั่วขึ้นมาในหมู่ในคณะหรือออกไปทำความชั่วในกลุ่มใดก็ตามนะ ในเมื่อเขาจับหมายใสยโทษได้แล้วนะั่นะเขาจับเขาไปเข้าคุกเข้าตารางเพราะเหตุไรกรรมชั่วอย่าทำเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังการทำกรรมทำได้สามทางนะในหลักของพุทธศาสนานะลูกหลานนะฟังเอาไว้นะการทํากรรมทำได้สามทางมนโนกรรมคือคิดชั่ว กายกรรมทำชั่วไหวจีกรรมพูดชั่วนะแต่คิดชั่วเนี่ยยังไม่มีคุกไม่มีตารางใส่นะถ้าใครคิดอย่างนี้ก็ยังไม่มีคิดยังไม่มีคุกมีตารางใส่แต่ในหลักของพุทธศาสนานไม่ได้เป็นโทษนะเริ่มเป็นโทษแล้วแนวความคิดชั่ว เ, เป็นโทษแล้วแต่ทําชั่วเนี่ทางโลกเขาให้ผลแล้วนะทําชั่วนั้นคืออะไร เปาณาธิบาตคิดฆ่าคนอื่นคิดฆ่าคนอื่นเป็นโทษล่ะในเมื่อเราไปฆ่าเขาเป็นโทษล่ะเพราะพระพองค์บอกว่าพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าการที่ไปฆ่าเขาใช่เราไปฆ่าเขาเราไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อไรเขามาฆ่าเรามาฆ่าพี่น้องของเราเมื่อนั้นละ่ะเราจะลำบากใจ เราจะทุกข์ใจในเมื่อคนอื่นเขามาฆ่าเราแต่เราไปฆ่าเขานั่นะเราฉลาดใจอีกต่างหากเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อแม่วงศาคณะญาติญาติมิตรสหายที่เรารักเคารพนับถือแล้วเราจะเสียใจมาก ในเมื่อเขาเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเ AT> พราะนั้นหลักของพุทธศา ส, าสนาท่านยังสอนว่าอย่าฆ่ากันอย่าคิดฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าเขาเขาเสียใจถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกั น, นข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธิาท า, านาเวรมณีในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน คำว่าขาโมยคำนี้คือขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไท่ขโมยรถของเขาขาโมยสิ่งของของเขาที่มีคุณค่าในบ้านของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทำกับเราละ่ะเราเขามาขาโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยละ่ะเราดีใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันกันกบเขาเพราะนั้นเราอย่าทำสิ่งไหนที่มันไม่ดีจะไปขโมยของเขา ในเมื่อเขามาขาโมยของเราเราก็เสียใจแต่เมื่อเราขาโมยของเขาเนะ่ยเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอยา่าขโมยของเขาให้เคารพสิทธิ์เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่สมกาเบสุภิชข า, าราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงเห็นของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไปล่วงเกินเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาทําให้กับเราเนะ่ะ พี่น้องลูกหลานของเราพ่อแม่ของเราก็เสียใจกับการกระทําในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สมข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจพราะไปต้มเขาเนี่ยเอาของไปดีว่าเป็นของดีเอาของปลอมนะไป ว่าของดีว่าเช็คไม่มีเงินอนะไปให้เขานะเมื่อเขาได้เขาก็เสียใจยเมื่อเมื่อเขาถูกหลอกถ้าเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้ ล, ลูกหลานสังเกตนะ ล, ลูกหลานเป็นหัวคิดนะเป็นหัวการศึกษาให้ศึกษาหนูให้ดีว่าเขาเราเขาเราเขาเรา ในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาเสียความรู้สึกทกข์กใจในเมื่อเราไปทำให้กับเขาในเมื่อเขามาทำให้กับเราเราก็ทกใจในเมื่อเขามาทำให้กับเราเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาท่านว่าให้เห็นใจเขาให้ดูใจเราเราเขาเราในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเมื่อทำเข้าไปแล้วเขาเดือดร้อน ถ้ามาทํากับเราเราก็เดือดร้อนเพะยงนั้นให้เขาเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันต่างคนต่างอยู่อย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนอันนี้คือศิลข้อที่สข้อที่หเป็นผิดสินพิเศษขึ้นมาแล้วนะทีนี้สินข้อที่ห้าเนี่สุราเมรยะมัชฌะ ป, ประมานการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าคนเป็นบ้านะ่ยคนขาดสตินะคนไม่มีสติคือคือคนบ้าคนบ้าคือคือคนไม่มีสติใช่ไหมในเมื่อคนขาดสติแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้ศินข้อที่หนึ่งก็ขาดจะขโมยใครก็ได้ศินข้อที่สองก็ขาดจาละลาลาบระล้วงสามีภรรยาลูกหลานของของใครก็ได้เพราะสติขาดสติ จะโกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะขาดสตดิไม่มีการยับยัง้งในการกร ะ, กระทํานั้นนี่พระนันนสิทธิ์ข้อที่ห้าคือสินหลวงพ่อยังเปรียบเทียบว่าสินข้อที่ห้าเหมือนกับหลังคาศาลาหลังนี้ลหละควบคุมอาคารหลังนี้ให้น่าอยู่ลบเย็นเป็นสุขเพราะสังกะสีหรือกระเบื้องคุมหลังคาฝนตกมา ก็ไม่รู้แดดออกมาก็ไม่ร้อนเพราะอะไรเพราะมีหลังคานี้ก็เหมือนกันศินข้อที่หนี่ถ้าคนขาดสติขึ้นมาเมื่ อ, อไรเมื่อขาดสติแล้วทำความผิดชั่วได้ทุกอย่างเหมือนกับหลังคาหลังนี้อาคารหลังนี้ไม่มีหลังคาเแดดออกมาก็เปรี้ยงฝนออกมาก็เปียกไม่มีอะไรคุ้มของเพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายนะ เป็นนักศึกษาเป็นคนหนุ่มเป็นกำลังของชาติต่อไปภายภาคหน้าเพราะประเทศชาติชาติไทยของเรานะถ้าลูกหลานเรียนดีได้การศึกษาที่ดีจบมาในทางที่ดีมีคุณมีความรู้นะลูกหลานจะไปทำงานต่างประเทศก็ได้เพราะเหตุไรเพราะประเทศไทยของเราเนี่เข้าสูป่ประชาคมอาเซียนแล้วป ร, ประเทศไทยเนี่ยของเราเป็นเอกราชมา ได้รับการศึกษามาดีพวกประเภ ท, เ, ภ ท, เ, ภทเพื่อนบ้านของพวกเราลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของพวกเราเขายัางร้อยกว่าเราอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราจะไปทํางานกับประเทศเพื่อนบ้านมีเยอะแยะไม่ต้องกลัวอดต่อไปภายภาคหน้าถ้าลูกหลานเป็นคนดีนะมันขยันในการทํามาหาเลี้ยงชีพนะมันขยันในการศึกษาที่ พิชาใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่เขาแนะนำสัง่งสอนมาเรานำมาการกองนำมาประพฤติปฏิบัติชีวิตของพวกเราก็จะดีขึ้นนะลูกหลานนะแต่ถ้าว่าพวกเราเไม่ตื่นตัวนะ อ, อ, อยู่แบบไม่มีอนาคตไม่ดีนะลูกหลานแต่ลูกพ้อฟังฟังดูเขาตำหนเิเขาตาหนิ คนทางอีสานของพวกเราหลวงพ่อกับคนอีสานเนี่ยนะคนจังหวัดมุกดาหารนะแต่เขาตำหนิหลวงพ่อกับฝั่งเหมือนกันมีส่วนวะเขาบอกว่าคนทางอีสานเนี่ยไม่รู้จักการไม่รู้จักการวางแผนเขวางแผนนะไม่รู้จักการวางแผนชีวิตสมมติว่าเน่เขาาสมมติให้ฟังนะสมมติว่าคนอีสานไปทำงานด้วยกันสิบคนอ ย, อยู่ในป่า ห่างไกลจากชุมชนคือไปรับเหมาสร้างบ้านให้เขาพูดง่ายๆจังเท่าแก่เน้ก็บอกเอยอีกเจ็ดวันนะผมจะไม่ได้มานะผมไม่ได้มาอีกเจ็ดวันนี่ผมเอาอาหารมาให้ให้เพียงพอไม่ตัวงว่าแต่เจ็ดวันแลสิบวันนู้ น, นอาหารนี่นะให้พวกเรา เก็บไว้ทานนะผมจะไม่ได้มานะเขาเอาข้าวเอ า, เอาวัตถุดิบมาให้เอาเนื้อเอาปลามาให้มาไะเดเอามาให้เสร็จแล้วเขาก็เอาอีกสักเจ็ดวันผมจะมาเนะแต่ละคนอีสานของเราเนี่ยพอได้อาหารมาเห็นอาหารเท่านั้นแหละอไปจกไม่รู้ว่าต่มไม่รู้ว่าก่อยไม่รู้ว่าลาบคุณผู้ชมกจมันหมดทวนไปหมดแค่สองสามวันนั่นนะคําว่าจะวางแผน จะวางแผนว่าเราจะกินถึงเจ็ดวันไม่มีคิดถึงเจ็ดวันไม่มีคิดวางคิดเห็นตอนหน้าแล้วก็กินให้มันอิ่มกินให้มันหมดอพอหมดแล้วก็จบไปเลยนะวันที่สี่ที่ห้าจะกินอะไรก็ได้ใบไม้แห้งก็กินได้เอามาจิ้มกับแจวไปกินกินไปจนถึงวันจนถึงเขามาส่งอีกอวันที่แปดที่เก้าเขามาส่งให้ยังค่อได้กินอีกอในระยะ ช่วงนั้นน่ะมไม่มีการวางแผนชีวิตอันนี้ถึงเขาจะพูดอย่างนั้นก็จริงอยู่แต่เราต้องหลวงพ่อเองมาคิดถึงการวางแผนชีวิตของลูกของหลา น, นในเมื่อลกูกหลานเป็นน้อยเป็นหนุ่มอย่างนี้ล่ะไปทำการทำงานใช่เงินเดือนมันน้อยบางทีก็เจ็ดแปดพันบ้างเกาพันบางมือนกว่าบาทบ้างลักษณะอย่างนี้แต่ลกูกหลานได้มาเท่าไหร่ลกรูกหลานคิดวางแผนในการใช้เงินก่อนแล้ว ออทั้งที่เงินเงินเดือนยังไม่ออกนะลูกหลานคิดใช้หมดแหละอันนั้นไปซื้ออันนั้นอันนี้ไปซื้ออันนี้พอออกมาเท่านั้นเป็นหนี้เป็นศินอีกออต่อมาเอกออกมาเอกเป็นหนี้เป็นสินอีกเกิดมาทั้งทีชีวิตชีวิตทั้งชีวิตไม่มีการวางแผนของตัวเองจนนะลูกหลานนะคล้ายๆว่า ม, ม, มีการประหยัดให้รู้จักป ร, ประมาณตนในการบริโภคะออให้บริโภคเนะี่ย นี่วันหลักของพทธศาสนาเนี่ยว่ตระกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสีเพราะสถานสีไม่สแสวงหาไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติ ข้อที่สเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติจุดนี้แหละที่หลวงพ่อเน้นเมื่อกี้เนี่ยพอเราได้เงินเดือนมาเราไม่รู้จักประมาณไม่รู้จับประมาณตนถ้าเราได้มาเงินเบื่อเอาสมมติว่าได้เงินหนึ่งมนละเดือนละเมื่นเอาเถอะส0 0พันเดือนละพัน 3, เราต้องหลับหูหลับตาเก็บเอาไว้ในธนาคารถึงจะอยากจะใช้ขนาดไหนก็เถอะพยายามไม่ใช้ กินพอประมาณใช้พอประมาณาให้ชูจ้จะประมาณในในการใช้ของตัวเองแต่สามพันนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่ออนาคตอนาคตเมื่อเราเท่าแก่ชลาลกไปแล้วเนะ่ยเราจะได้ใช้มันเงินสามพันบาทนะาั่นแหล 3, 000, 2, เดือนละสามพันสองเดือนก็หกพันสามเดือนก็เก้าพันนะมันเป็นก้อนคือมาแล้วนะเท่ไหอาจากนั้นก็นเราก็หาส่วนอื่นเข้ามา หาส่วนเกินเข้ามาอีกสมทบเข้าไปอีกไปเก็บในเงินก้อนนั้นต่อมากําเป็นเงินเป็นศึกหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในเมื่อมีเป็นแสนเป็นล้านเข้ามาเราก็อุ่นใจแล้ว เ, เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้ใช้หรือพ่อแม่ของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้ไปยืมใครก็ตามเราก็ยังมีเงินก้อนนี้อยูเอ่เพื่อเป็นเครื่องประกันชีวิตของเราป ร, ประกันชีวิตของครอบครัวเรา นี่แหละอยากจะให้ลูกหลานวางแผนชีวิตของตนเองไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่ใช่ใช่สมัยเมื่อเราเป็นหนุ่มเราใช้ได้ใช้เงินแต่เมื่อเราแก่ขึ้นมาเงินมันก็แก่ไปด้วยนะไม่รู้จะหาที่ไหนเออซบซบสั่นชวนซนซนเอน อ, อ, อ, อไปขอกับใครไปอยู่กับใครเขาดูถูกเราหมดเออเราจะชอบอย่างนั้นเหรอเราต้องการอย่างนั้นเหรอไม่มีการวางแผนชีวิตของตนเองบ้างเหรอ เราเกิดมาทั้งทีชีวิตนะเราต้องคิดนะลูกหลานนะต้องคิดให้ดีนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะไม่ใช่หลวงพ่อดูถูกเหยียดหยากลูกหลานนะลูกมีแต่สั่งสอนลูกหลานให้เป็นเป็นผู้มีนเป็นแนวความคิดนะี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยบวชมาตั้งแต่เป็นเนนน้อยนะอยู่กับหลวงปู่ล่านะเป็นเนนอยู่ที่ภูเขาอีต่างหากเป็นเนนอ ย, ยู่แปดปีเรียนหนังสือก็จบป .4 อแล้วก็มาอยู่กับหลวงตามหาบัวเป็นเวลายี่สิบกว่าปีแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยดูสิหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เรียนสูงอะไรเลยแต่เรียนมาตามธรรมชาติธรรมชาติเป็นมาอย่างไรเรียนแต่เถี๋ยวนี้ทุกระดับที่เขามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่กลัวเหลวงพ่อเอาคุณงามความดีเอาศีลธรรมแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวได้ทุกระดับอแต่เมื่อวานกับนายพลตารวจก็เข้ามา ไม่ว่าใครต่อใครเขามาหาหลวงพ่อก็แนะนำเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนะเห็นวัดหลวงพ่อไหมนี่แหละลูกหลานทั้งหลายเรียนสูงถึงขนาดนั้นแล้วจะทำยังไงจะวางตัวยังไงจะดำเนินชีวิตของตนอย่างไรอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกลูกหลานต้องต้องคิดต้องดูตนเองนะอย่าลืมตัวเกิดมาทั้งทีชีวิตอย่าลืมตัวถ้าใครลืมตัวนั่นแหละไปเอาตัวไม่รอดนะ เ, เห็นเข า, เาขายยาบ้าก็อยากจะรวยกับเขาก็ไปขายยาบ้ากับเข า, เาฝึกหัดขายยาบ้าคิดว่าตัวเองเก่งอผอวในชุดนะอพอเขาจับได้ไล่ทานกับไปอยู่นอนอยู่ในคุกมดสภาพาามันเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ดูถูกผู้ใดใครผู้หนึ่งนะ mm. เป็นการแนะนำบอกกล่าวให้ลูกหลา น, นให้สำนึกตัวสิ่งใดที่มันไม่ดีย่าทำ ทำแต่สิ่งที่ดีนะถ้าทาสิ่งที่ดีแล้วความดีให้ผลความดีเกื้อกูลหนุ่นลูกหลานจะมีแต่ความสุขความเจริญ น, นะการกล่าวเรื่องราวต่างๆให้ลูกหลานได้ฟัง <c oughs> ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอำนาจคุณรรพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพบุญบรมี พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขอให้คุ้มครองลูกหลานขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆคนด้วยเถิน